แต่อวิชชาไม่รู้ว่าตัณหานี่แหละคือตัวที่เชื่อมโยงให้ไปสู่การเกิดในในภพใหม่เพราะตัณหาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมกรรมให้มีวิบากเป็นตัวเชื่อมจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งเชื่อมจากคติหนึ่งสู่คติหนึ่งเชื่อมจากวิญญาณทิเตหนึ่งไปสู่วิญญาณทิเตหนึ่งเชื่อมจากสัตววาดหนึ่งไปสู่สัตววาดหนึ่งเชื่อมจากกองทุกหนึ่งไปสู่อีกกองทุกหนึ่งเนี่ยนะภารกิจของ ตันหาหรือสมุทัยมันเป็นอย่างนั้นถ้าออกจากตันหาได้เมื่ อ, อไหร่มันเป็นความสุขอวิชชาปิดไม่ต้องระบองเอ๊ะมัน ส, สบายได้ยังไงเขาบอกว่าถ้าอย่างรูปเนี่ยนะรูปที่น่าปรารถนาน้าพอใจชวนให้เพลิดเพลินเหลือเกินถ้าไม่มีรูปแล้วจะมีความสุขได้ยังไงนี่ น, นนะที่มีความสุขอยู่ทุกวันก็เพราะมีตามีสีถ้าดับตาดับสีแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรความสุขความเพลิดเพลินอยู่ทุกวันก็เพราะมีหูมีเสียง ถ้าดับหูดับเสียงได้หมดแล้วจะสบายได้อย่างไรความสุขความเพลิดเพลินทั้งหลายก็เพราะมีจมูกมีกลิ่นถ้าดับจมูกดับกลิ่นไปแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรความสุขความเพลิดเพลินทุกวันก็เพราะมีลิ้นมีรสนี่แหละถ้าไม่มีลิ้นไม่มีรสจะมีความสุขได้อย่างไรเนี่ยนะบางคนว่าโอ้ถ้าไม่ให้เลิกดื่มเหล้าเนี่ยนะให้เมาให้เลิกเมาเนี่ยไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําไมก็ว่างั้นไม่รู้จะมีความสุขได้อย่างไรก็ว่า ถ้าไม่มีกายไม่มีโพธิภพแล้วจะมีความสุขได้อย่างไรถ้าไม่มีใจไม่มีเรื่องให้คิดชีวิตมันก็อับเฉาชีวิตมันก็ไม่มีความสุขนี่นี่คืออัธยาศัยของผู้ที่เพลิดเพลินในวัตฏะทั้งหลายเข้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาบอกว่ามานี่แหละการเกิดขึ้นแห่งขันท่าเป็นความเกิดขึ้นแห่งความสุขเช่อไหมเอา้าความเกิดขึ้นแห่งขันท่าเขาบอกว่าความความเกิดขึ้นแห่งความสุขเอาวันเกิดนี่บอกว่าไปแฮปปี้กันหน้าดูเลยอ่ะเอาใช่ไหมฉลองวันเกิด ฉลองวันเกิดทำบุญมันอะไรนะแฮปปี้วันเกิดเนะนี่ยนะโอ้โนี่วันเกิดแฮปปี้จุดเทียนดับเทียนเลยนะเตาเทียนให้มันดับบอกว่าดับท่าไอความรู้เนี่ยความรู้จริงเนี่ยดับให้หมดเนี่ยนะให้รู้แต่ความไม่จริงและเพลินอร่อยต่อนี่นะไม่ต้องเห็นปัญญาเห็นอริยสัจกันแล้วบอกปิความจริงแสดงความยินดีด้วยนะนะที่คุณเกิดมารับภาระกองทุกข์ได้ขนาดนี้และจะทุกข์ต่อไปขอให้มีความทุกข์ตลอดไปเนี่ยนะขอให้มีความสุขสุขที่ไหนอะมสุขจริงไหมหล่ะ มันบางคนเนี่ฉลองมันเกิดเสีจตายเลย <g ười> ใช่ไหมเอ้าฉลองมันเกิดเสีจตายเลยก็มีอายุร้อยกว่าแล้วนะฉลองมันเกิดเสร็จแล้วก็จะตายเลยอายุขนาดนั้นน่ะก็แต่ว่าอาวิชาเนี่ยนะทบทวนอีกครั้งว่ า, าวิชาปกปิดไม่ให้รู้ความจริงแล้วก็ปิดอีกอันหนึ่งคือปิดซ้อนปิดอีกอันหนึ่งก็คือปิดบอกว่าอย่ารู้เลยความจริงอย่ารู้เลยความจริงพอไม่ต้องการ เ, าเพลิดเพลิในกองทุกเห็นว่าสมุไทยไม่มีโทษ เห็นว่าการออกจากทุกข์ไม่ดีจริงขวนขวายที่จะปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์ไหมเนี่ยมันก็เลยปกปิดบอกไม่ต้องรักษารลอกศีลไม่ต้องเจริญหลอกสมถะและวิปัสสนาไม่ต้องเจริญหลอกอริยมรรคมีองค์แปดอู้สบายสบายเนีย่ยนะไม่ต้องไปเจริญอะไรให้มันเหนื่อยให้มันยากอยู่เพลินเพลสบายสบายไปวันๆหนึ่งก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือนะชีวิตที่เป็นอยู่ก็สบายดีแล้ว ไม่ใช่หรือนั่นแหละด้วยอนุภาพของอวิชชานี่มันเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะปกปิดให้ไม่ไม่ควรขวายที่จะเจริญอริยมรรคปกปิดให้ไม่ต้องการรู้อริยมรรคด้วยปกปิดไม่ต้องการให้ให้มีปัญญาปกปิดเพื่อไม่เจริญปัญญาปกปิดเพื่อไม่เจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจสาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสามาธิ ผู้ที่มากไปด้วยอวิชชาเนี่ยนะเมื่อพูดสัมมาทิฐิแล้วไม่ชอบถ้าพูดมิจฉาทิฐิแล้วชอบเนี่ยนะถ้ามากด้วยอวิชชาถ้าพูดสัมมาสังกัปปะปฏิเสธมันต้องมิจฉาสังกัปปะสิเนี่ยนะจริงก็ถูกถ้าพูดสัมมาวาจาบอกไม่เอามิจฉาวาจาดีกว่าคือพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยมิจฉาทิฐิมันเป็นผลผลิตของอวิชชาเนี่ยนะเป็นผลผลิตของอวิชชาเมื่อเป็นผลผลิตของอวิชชาเนี่ยปกปิด อริยมรรคทุกองค์หมดเลยไม่ต้องการให้เห็นอริยมรรคแต่ละองค์ว่าสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจนะบอกมากไปเก็งั้นสัมมาสังกะปะคิดจะออกจากอกุศลโดยส่วนเดียวนะ อ, ออกทำไมอ่ะทำไมต้องออกเป็นต้นคือไม่เห็นคุณของการออกจากวัตฏะเลยแต่เห็นแต่คุณของการอยู่ในวัตฏะทั้งหลายเพราะนั้นอวิชชาเนี่ยปกปิดอริยมรรคทั้งหลายที่เป็นนิยานิกทธรรมปกปิดไม่ให้รู้ว่า อริยมรรคที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นที่ตถาคตทําให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งจากขุคกรณียานะการณีทำจากโสให้เกิดธรรมยาณให้เกิดเป็นไปเพื่อนิพพานายะสัมโพธายะเนี่ยนะเป็นไปเพื่อปรินิพานเนี่ยนะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อม อารยมรรคอันประกอบด้วยองแป8นี่แหละทำจักสุทำปัญญาทำยาณนะเป็นไปเพื่อรู้แจ้งแทงตลอดเป็นไปเพื่อพระนิพพานก็บอกว่าโอ้ยอารยมรรคประกอบไปด้วยองแปดไม่ใช่มัชชิมาปฏิปทาเอาถามว่าเอารู้ได้ยังไงว่าเขาบอกว่ามรรคแปดไม่ใช่มัชชิมาปฏิปทาเอาโดยมากปฏิเสธมรรคแดหรือว่าชื่นชมมรรคแปดอารยมรรคอันประกอบไปด้วยองแปดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงไม่ดีนักแล ไพเราะมากเนี่ยนะเป็นอย่างนั้นไหมน้อยมากแล้วแม้กระทั่งว่าชีวิตของเราต้องดําเนินไปตามมรรคแดนะอย่างเงี้ยนะแม้แต่กระทั่งคิดอย่างนี้ก็น้อยเต็มทียกตัวอย่างง่ายๆว่าเราเคยคิดไหมว่าชีวิตเราเนี่ยสัมาธิฏฐิเราต้องโตขึ้นวันนี้กรรมสกตาต้องดีขึ้นสัจจานุโลมิกยานต้องดีขึ้น อ, าอาริยสัจญาหัต้องดีขึ้นนะนะมันต้องเพิ่มเห็นช่องทางเลยว่ากรรมสกตาจะโตจะเจริญเติบโตได้ยังไงปัญญาตัวเองจะพอกพูนเห็นกรรมสกตาปัญญาเห็นสัจจานุโล ม, มิกยานเห็นหรือว่าเริ่มตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิเห็นช่องทางของวิสุทธิจนตลอดสายเลยนะมองเห็นเลยเหมือนเหมือนใช้ตาเนื้อเนี่ยมันเข้าใจแบบคนเดินทางไปนอกอ่ะ เหมือนกับว่าเดินทางไปไหนสักแห่งเราจะรู้เลยใช่ไหมเส้นทางมันเป็นยังไงอะไรยังไงและแวะเลี้ยวตรงไหนอะไรตรงไหนถ้าจะโค้งบ้างอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรนี่รู้หมดเลยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงเมื่อใดที่เราจะเห็นว่ากรรมสกตาสัมมาทิฐิเราจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรสัจจานุโลมิกยานสัมมาทิฐิจะเจริญเติบโตอย่างนั้นได้อย่างไรอริยมรรคสัมมาทิฐิที่แทงตลอดอริยสัตว์นี้จะต้องต่อยังไงแล้วไปที่ไหนสัมมาสังกปะเราต้องดี พระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญพระองค์บอกว่าพระองค์จะทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญตอนที่พระองค์แรกตัสรู้ใหม่ๆเที่ยวทําสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญเรามีความคิดไหมว่าเราจะต้องเจริญสัมมาสังกัปปะให้ชํานาญคําพูดที่ฝุดผุดมาแต่ละคําเป็นสัมมาวาจาหมดเราจะต้องใช้วาจาให้เป็นสัมมาวาจา สัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะเนี่ยนะแล้วก็สัมมาวายามะจะต้องเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมมาสตินจะต้องโตยิ่งยิ่งขึ้นไปสัมมาสมาธิแล้วมัดแปดต้องประชุมกันต้องตรัสรู้ให้ได้ถือเอาช่องทางมัรแปดนี่แหละเป็นข้อปฏิบัติเป็นเครื่องดำเนินเป็นทางดำเนินของพระอริยเจ้าเพราะว่าสัมมาสติคือสติประฐานสี่สัมมาวายมะคือสัมปทานสี่สัมมาทิฏฐิคือ วิมังสิต ท, ที่บาทเนี่ยนะวิมังสิต ท, ที่บาทปัญญินรีปัญญาภละธรรมวิจยสัมโพชงก็คือสัมมาทิฏฐินั่นเองนะนะนะแล้วก็เห็นว่าสัมมาวายามะก็เป็นอะไรเป็นกลุ่มปีติสัมโพชงเพราะว่าผู้ที่รักษาศีลดีจะทําให้มีปีติและปัสสัทธทิเป็นต้นนี่เห็นเลยว่าสัมมาสติก็คืออะไรจิตติดที่บาทนะนะจิตติดที่บาทสมาธินรีสมาธิภละ สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็สัมมาสติก็คือสรุปว่าขอดำเนินเดินตามข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เอาไว้คือโพธิปัฏฐิธรรมวันนี้ทำไม่ได้แต่ว่าช่องทางนั้นจะต้องดำเนินตามนี้แหละพระองค์บอกว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเดี๋ยวสูตรน่าจะมีนะสูตรน่าว่าทางนั้นคือทางสายเอกเนี่ยนะเป็นทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าในอดีต ท, ท่านก็ไปครั้อย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าที่จะมีในอนาคตท่านก็ไปตามเส้นนี้แหละ พระอริยะทั้งหลายที่มีในปัจจุบันท่านก็ดําเนินตามทางสายเอกทางสายเดียวคือมรรคแนี่แหละท่านจึงออกจากวัฏฏะทุกข์ได้เพราะฉะนั้นถ้าอวิชามันตกปิดบอกไม่เอาแต่ถ้าปัญญาเปิดเผยบอกว่าเอาเธอเนี่ยวันนี้รังทําไม่ได้นะตั้งอัตตสัมมาปณิทิไว้สิเนี่ยตั้งความปรารถนาไว้เราจะได้เจริญเราจะได้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ใจยินดีในการเจริญบุญกุศลคุณธรรมมันจะคอยเรียกว่า หวานล้อมให้ตัวเองดําเนินในทางที่ที่ถูกต้องเพราะปกติเนี่ยนะเนีย่ยต่อไปท่านบอกว่าลูกโคโกงที่ดื่มแต่น้ํานมแม่โคโกงมาตลอดเนี่ยนะถูกปล่อยตามใจมาตลอดเนี่ยเป็นยังไงมันก็โกงอยู่ดีนั่นแหละฉันใดใจของเราทั้งหลายที่ดื่มรสแห่งอารมณ์รูปเสียงเลี่นรสโพธพภะ ท, ที่อารมณ์ในโลกนี้ก่อให้เกิดสุดจริตหรือทุจริตโดยมากทุจริตหรือสุจริต อย่างคิดว่าบางวิชาในโลกเนี่ยนะเราทำยังไงสัตว์ทั้งหลายจะได้เพลิดเพลินถ้าเขาเพลิดเพลินมากเราก็รวยมากถ้าเขาไม่เพลินแล้วเขาก็เราก็เจ๊งทํายังไงให้เขาเพลินที่สุดเท่าที่เราจะทําให้เพลินได้เพราะหมายความว่าความโลภของหมูสัตว์เท่าใดเรามั่งมีเท่านั้นอันนั้นมันเป็นวิชาเลยนะเป็นวิชาอันหนึ่งที่ต้องต้องสร้างให้มันโลภที่สุดเท่าที่เขาจะโลภได้ถ้าโลภเท่าไหร่เราก็มั่งมีเท่านั้นนั้นทุกคนเนี่ย สร้างแต่ความคิดแบบนี้ขึ้นแบบนี้ขึ้นก็เลยช่วยกันตกปิดความจริงเนี่ยนะใครที่หลอกคนอื่นสําเร็จนะหลอกตัวเองเรียบร้อยแล้วก็ตกปิดตัวเองเนะี่ยคนที่คิดนั่นแหละต้นคิดนั่นแหละน่าสงสารที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าปกปิดตัวเองเ่ยนะเพราะว่าทํากรรมเช่นใดก็จะให้ผลเช่นนั้นแลเนี่ยนะสรุปสรุปทบทวนตรงนี้ว่าอาวิชชาเนี่ยนะมันปกปิดอริยสัจทั้งหลายปกปิดทุกสมุทัยและ นิโรธมักเนี่ยนะทีนี้ถามว่าในเบื้องต้นเราทั้งหลายควรทำยังไงสั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีตั้งบุญกุศลคุณงามความดีเพื่อให้มีปัญญาเธอเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิเธอะถ้ามีสัมมาทิฏฐิก็จะมีสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นต้นถ้ามีสัมมาทิฏฐินะมันจะละมิจฉาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐนะิมันจะละมิมมมมจฉามักละบริวารของมิจฉามักคืออกุศลเหล่านั้นออกไปทั้งหมดถ้ามีสัมมาทิฏฐิตามคําสอนจริงๆ สมัมมามัติที่เหลือจะตามมาแล้วบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหลายก็ตามมาในเบื้องต้นเนี่ยให้เราเห็นประโยชน์เห็นคุณเห็นเห็นว่ามันดีมีสาระก่อนนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะเพราะว่าน้อยนักที่จะคิดว่าความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องคือสาระเราอาจจะพูดอยู่ว่าออปัญญาเป็นสาระนี่ใช่แต่ปัญญาคืออะไรคือความรู้ความเหยนความเข้าใจที่ถูกต้องคือสิ่งที่มี สาระที่สุดของชีวิตเนี่ยนะมันถ้าหากว่าเห็นเห็นอย่างนี้เข้าก็เจริญบุญเจริญกุศลการการฟังพระธรรมเนี่ยนะการศึกษาพระธรรมก็ศึกษาเพื่อปรับความรู้ปรับความเข้าใจจนกว่าจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพราะเราเชื่อว่ามีศรัทธาว่าความรู้ความเห็นความเข้าใจของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรฐานที่สุดนําออกจากทุก์ได้จริงมันถ้าเราจะรู้เราจะเห็นเราจะเข้าใจ ก็ขอรู้ขอเห็นขอเข้าใจตามพระพุทธเจ้าถ้าเมื่อใดที่จะเป๋จากคําสอนของพระพุทธเจ้าบุญกุศลคุณงามความดีช่วยปกปักรักษาไวเ้เถอะอย่าให้ตกไปสู่ในความรู้ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอย่าให้ตกไปในความคิดที่ไม่ใช่เป็นไปตามคําสอนเนี่ยนะขอให้เป็นไปตามคําสอนเถอะเนี่ยนะก็ตั้งอัธยาศัยตั้งสัมมาทิฏฐิตีกรอบตัวเองให้มันเป็นไปตามนั้นแบบข้อถ้อยคําที่ตั้งอะไรนะ ความปรารถนาในตอนท้ายที่เราทํากันอยู่เนี่ยนะไม่พึงประกอบด้วยทิฏฐิชั่วพึงประกอบด้วยทิฏฐิที่ดีงามก็แปลว่าขอยาได้เป็นมิจฉาทิฏฐิโดยประการทั้งปวงขอให้มีกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิขอให้มีวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมีฌานสัมมาทิฏฐิจงเป็นไปเพื่ออริยมรรคขสัมมาทิฏฐิแทงตลอดสามัญญผลสัมมาทิฏฐิขอให้เจริญด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือยาณะยาณะตั้งแต่สุตตมยาน จินตามายียาญาณสมาธิภาวนามายียาญาณสีและมา ย, ะยาญาณเป็นต้นขอให้เป็นไปตามญาณนะตามสติตามปัญญาตามความรู้ความเข้าใจที่เป็นทางดําเนินของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายขอจะได้ออกนอกลู่นอกทางที่เป็นมรรคแปดะนะขออย่าได้นอกอ่าคือขอจะได้ออกจากทางคืออริยมรรคอันประกอบไปได้วยองค์8ดที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วเนี่ยนะพระถ้าออกนอกมรรคแปเมื่อไหร่ก็ ทางที่จะนำออกจากวัตะมีทางเดียวเพราะว่าในทางธรรมะท่านบอกว่าอาริยมรรคอันประกอบด้วยองแ8ดเท่านั้นที่จะนำออกจากทุกข์ถ้ามีมรรคอื่นพระพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่ยนะไม่มีหรอกมรรคอื่นมีแต่มรรคแปดนั่นนะแล้วมันต้องประชุมด้วยองแปดนะไม่ใช่เอาแต่อะไรอย่างเดียวเนี่ยนะก็คือรถเนี่ยมันจะต้องแบบมีครบองคของรถใช่มยิงก็ไปได้ถ้าเอาแต่ล้ออย่างเดียวหรอ จะทำอะไรได้ฉันใดเขาเรียกว่าองค์ของรถองค์ของอะไรยังมีองค์ของเขาเลยฉันใดมักก็ต้องมีองค์มันขอขอให้เป็นไปตามองแปดถ้ายังไม่เข้าใจก็ควรพยายามให้เข้าใจถ้ายังไม่รู้ก็ต้องสแสวงหาความรู้พระพุทธเจ้าบอกตรัสไว้ในบางสูตรเลยบอกว่าถ้ายังไม่รู้จรงิงก็ต้องสแสวงหาคนที่เขารู้จรงิงแล้วก็บอกให้ให้เราจนรู้ให้ได้นี่นะจะต้องเสียสละต้องทุ่มเทต้องสแสวงหาเขาเรียกว่าสแสวงหาพรหมจรรย์ เพราะอารยมรักอันประกอบไปด้วยองค์8เรียกว่าพรหมจรนท์เป็นความประพฤติอันประเสริฐเราก็ต้องแสวงหาแสวงหาได้จากที่ไหนก็ถ้าอยู่หน้าแห่งหนใดก็ต้องเที่ยวเสาะแสวงหาเพราะถ้าไม่เจอมรักมีองแปดเช อ, เ, อเจอมิจฉามรักแน่นอนนะนะเจอมิจฉามรักที่มี10ิ์เนี่ยนะมิจฉามรักมี10ิมีอะไรบ้าง มิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาญาณสุดท้ายมิจฉาวิมุติไม่ได้อะไรสักอย่างนึกว่าเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าบรรลุเรียบร้อยแล้วที่ไหนได้ยังไม่ได้ไปไหนหรอกรู้ถึงต้นทางแห่งกองทุกแล้วเนี่ยนะความทุกได้เริ่มขึ้นแล้วถ้าอย่างเง่ใช่ สรุปในหน้า602ต่อไปว่าความไม่รู้ในนิโรธความไม่รู้ในอริยมรรคเนี่ยนะอวิชามันปกปิดเอาไว้อย่างเดียวปิดบังไว้ไม่ต้องรู้ความจริงหรอกบางทีนะั้นมันไม่ใช่ปิดความรู้อย่างเดียวนะมันปิดหูด้วยนะอย่าไปรู้เลยอย่าไปฟังเลยเขบาบอกงั้นก็ความไม่รู้ที่ปิดบังเอาไว้เนี่ยนะก็ความไม่รู้ที่ปิดบังนิโรธและมรรคนั่นเองเพิ่งทราบว่าห้ามการแทงตลอดลักษณะตามความเป็นจริงแห่งนิโรธสัจจะและ ปฏิปทาคืออริยมรร์เหล่านั้นปกปิดไม่ให้รู้ลักษณะที่แท้จริงของนิโรธคืออะไรนิสรณะอสังคตาวิเวกอมะตาเนี่ยนะไม่ให้รู้ความจริงอันนี้หรอกแล้วก็ปกปิดมรรว่า น, นิยานิกะเหตุทัศนะและอธิปไตยะเนี่ยนะอวิชานี่ปิดหมดแล้วก็ขณะเดียวกันไม่มอบให้ซึ่งความไม่เป็นไปแห่งญาณในสัจจะสองที่จริงไม่มอบให้เนี่ยไม่ถูกนะต้อง การมอบให้ซึ่งความไม่เป็นไปแห่งยานในสัจจะสองก็แปลว่ามันปกปิดบอกอวิชานั้นมันปกปิดบอกแกไม่ต้องไปรู้ทุกตามเป็นจริงหรอกแกไม่ต้องไปรู้สมุทัยตามเป็นจริงหรอกแกไม่ต้องรู้นิโรธตามเป็นจริงหรอกแกไม่ต้องรู้มรตตามเป็นจริงหรอกท่านอวิชานี่ปกปิดไม่ต้องการให้แทงตลอดอริยสัจแต่ความไม่รู้ในสัจจะทั้งสองนั้นไม่เป็นการหยั่งลงสู่ภายในสัจจะทั้งสองอวิชานี่ไม่ได้สัมปยุติกับนิโรสัจจะกับ มัคคสัจจะเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอาวิชาไม่เกี่ยวกับนิโรสัจจะกับมัคคสัจจะเลยและก็ไม่เป็นที่ตั้งของความไม่รู้ในสัจจะสองเพราะไม่มีความเกิด ร, ร่วมกันเป็นธรรมดานิโรสัจจะกับมัคคสัจจะไม่เป็นอารมณ์ของอวิชาเนี่ยนะเพราะว่าอวิชามเนี่ยนะมันอวิชาเนี่ยเคยคิดเรื่องนี้ผ่านคิดเรื่องนิโรสัจจะที่นาออกจากทุกมัคคสัจจะที่นาออกจากทุกไหม ไม่สนใจหรอกน่ น, นะอธิบายว่าสัจจะสองข้อสอข้อหลังคือนิโรธสัจจะกับมรรคสัจจะเนี่ยนะเห็นได้ยากเพราะสภาวะของเขานี่ลึกซึง้งแต่ในเรื่องนี้ความไม่รู้ไม่ใช่ความมืดบอดจึงเป็นไปเนี่ยนะไอ้ความไม่รู้เนี่ยนะที่มืดบอดบอกเป็นไปส่วนสัจจะสองข้อต้นลึกซึ้งเพราะเป็นสภาวะที่เห็นยากเอ๊ะทุกขสัมุทัยนี่มันเห็นยากหรือเห็นง่าย อาอย่างทุกขสัจจะมันเป็นอนนี้จังทุกขังอนัตตามันเป็นอสุภาษใช่ไหมท่านเห็นอย่างนั้นไหมล่ะไม่เห็นไม่เห็นตรงมันข้ามหมดเลยหรือว่าเห็นยาบแต่ตัวมันเองหยาบจะตายไปเห็นไหมเพราะอะไรเพราะวิปลาสในสัจจะสองวิปลาสในทุกขสัจว่าสุขเที่ยงงามยั่งยืนและอัตาแล้วก็วิปลาสในสมุทยัทยสัจบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าตันหาเป็นเหตุแห่งทุกขเขาบอกว่าตันหาเป็นเหตุแห่งสุข ถ้เข้าใจนะว่าชีวิตถ้าสิ้นตัณหาแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงใช่ไหมก็เต้นไปด้วยตัณหาก็เลยมีเสียงเพลงในหัวใจตลอดเวลาเนี่ยนะก็เลยเพลิดเพลินมากมีความสุขมีความเพลิดเพลินสัรหาแต่ความเพลิดเพลินมาจะได้ประสบแต่ความสุขใช่ไหมก็เลยมองเห็นว่าความเพลิดเพลินเป็นความสุขแต่พระองค์ตรัสว่าธรรมกาโมผวังโหติใช่ไหมผู้ใดที่ใคร่ทาเป็นผู้เจริญแต่ที่เพลินในตัวนั้นเนี่ยเพลินในทุกเขาก็เลยไม่พ้นไปจากทุกข์ พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่ไม่ให้เพลินแต่ว่าให้เพลินในทำเพราะว่าความยินดีในทำเป็นความยินดีที่สูงสุดเนี่ยนะถ้ายินดีในทุกข์มันก็ไม่ได้พ้นทุกข์มันก็เฝ้าอยู่แต่กับกองทุกข์อีกอย่างหนึ่งด้วยคำที่ว่าทุกเขเนี่ยนะทุกเขพระเถระได้แสดงว่าอาวิชชาโดยสงเคราะห์เข้าด้วยกันโดยฐานะโดยอารมณ์และโดยกิจ ด้วยคําว่าเ like ท่านี้ว่าทุกขสมุทเยแสดงว่าโดยอารมณ์และโดยกิจทุกขนิโรเททุกขนิโรทัขามินีปฏิปท <c oughs> ายะก็คือโดยกิจหมายคําว่าอวิชชาเนี่ยนะเป็นไปในทุกขอริยสัจโดยฐานโดยอารมณ์และโดยกิจโดยฐานก็คือเกิดร่วมกันเป็นอารมณ์แล้วก็มีทุกข์เท่านี้เป็นอารมณ์แล้วก็กิจปกปิดไม่ให้เห็นทุกขสมุทะเยก็คือโดยอารมณ์เกิดร่วมกัน ร, รับรู้ปกปิด แล้วก็กิจก็คือการปกปิดอริยมรดกับนิพพานก็ปิดอย่างเดียวเนี่ยนะพระวิชานี้ทำทำหน้าที่ก็คือปกปิดนั่นเองต่อไปบอกว่ากามาสะวะภาะวะสวะที่บอกว่ า, าเพราะอาสะวะเกิดอวิชชาจึงเกิดเนี่ยนะเพราะว่ากามาสะวะกับภวาสะวะเนี่ยเกิดร่วมกันกับอวิชชาด้วยสหาชาติปัจจัยเป็นต้น อวิชาสวะพึงทราบว่าเป็นปัจจัยแก่อวิชาโดยอวิชาก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่อวิชาครั้งหลังๆนะนะอกุศลเป็นปัจจัยแก่อากุศลโดยอุปนิสยปัจจัยเพราะนั้นอวิชาเกิดก่อนก่อนมันก็มาปิดอ้ออวิชาเกิดก่อนเป็นปัจจัยให้อวิชาเกิดหลังๆอย่างสมมุติว่าอ้าาบอกว่าไอความไม่รู้ที่ไม่เห็นอริยสัจ ต, ตอนนี้มันไม่เห็นมานานแล้วไม่ใช่พึงเป็น ไม่ใช่เพิ่งโง่ตอนนี้หลอกมันโง่ามานานแลว้วงวามน่ะอวิชาก่อนๆนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่อวิชาครั้งหลังๆอวิชาสะวะนั้นเป็นอุปนิสัยปัจจัยของอวิชาที่เกิดใ น, ในกาละต่อมาเนีเป็นอุปนิสัย แ, แก่อวิชาหลังๆเนี่ยนะอวิชาเป็นปัจจัยแก่อวิชาอวิชาเป็นปัจจัยแก่อวิชาวิชาจึงเป็นปัจจัยแก่สังขารสังสารวัฏก็เลยสืมเนื่องกันไป